วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช 2,566 เวลาก็ผ่านไปอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่มีการหยุดยัง้งเวลาที่เราจะ มีเหลืออยู่ก็จะน้อยลงไปทุกวันทุกวันเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่เวลาที่จะใกล้เข้าห้องสอบของพวกเราก็จะใกล้ามากขึ้นไปพวกเหลานี้ก็เป็นเหมือนนักเรียนที่จะต้องเข้าห้องสอบเพื่อทำข้อสอบ เพอจะได้รู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านข้อสอบของชีวิตของพวกเราทุกคนก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดจากกันนี่แหละคือข้อสอบที่พวกเราทุกคนจะยินดีหรือไม่ยินดีก็ตาม จะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามจะต้องเข้าห้องสอบจะต้องทำข้อสอบเหล่านี้ด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วตอนนี้เรายังมีเวลาเตรียมตัวกันมีเวลาทำการบ้านกันมีเวลาศึกษาเริ่มเรียนวิธี การทำข้อสอบของพวกเรากันอยู่เราจึงไม่ควรที่จะประมาทกันควรที่จะรีบเร่งศึกษาและทำการบ้านด้วยการปฏิบัติเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ที่ไม่มีใครจะ เีกเลียงได้ไม่ว่าจะเป็นไครใหญ่ที่ไหนขนาดไหนก็ตามหรือเล็กขนาดไหนรวยขนาดไหนจนขนาดไหนทุกคนมีข้อสอบเหมือนกันทุกคนข้อสอบก็คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายและความพัดพากจากกัน ที่ทุกคนจะต้องทำข้อสอบแบบนี้กันถ้าเตรียมตัวไว้ก่อนศึกษาวิธีทำข้อสอบต่างๆไว้พอถึงเวลาก็เข้าห้องสอบเวลาเข้าห้องสอบก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือกันอยู่ เราก็รู้ว่าเขาจะต้องถามขา้อ ค, คำถามอะไรบ้างเราก็เตรียมอา่านหนังสือเตรียมศึกษาเตรียมจดจำคำตอบเอาไว้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็สามารถที่จะตอบได้อย่างง่ายดายได้รวดเร็วและได้คะแนนดีหลังจากที่ได้ ผ่านข้อสอบนั้นไปทาข้อสอบนั้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรจะลืมกันไม่ควรจะลืมว่าเรานี้เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องไปทําข้อสอบกันในวันข้างหน้านี้ซึ่งเวลาเข้าองสอบของแต่ละคนก็ไม่แน่นอน บางคนก็ต้องเข้าก่อนบางคนก็เข้าหลังไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเสมอไปบางคนเข้าห้องสอบตั้งแต่อายุยังเล็กน้อยก็มีเกิดมาไม่กี่ปีก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเกิดขึ้นเวลานั้นก็ต้องเข้าห้องสอบกันถ้าเข้าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษา ได้ทำการบ้านก็น่าสงสารเพราะไม่รู้จะทำข้อสอบอย่างไรได้แต่สำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวเตียมทำการบ้านอยู่แต่ไม่ทำอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสงสารได้อย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่ทำกับตัวของตัวเองถ้าเรา ดูว่าเรามีข้อสอบที่จะต้องทําแต่เรากลับไม่สนใจเตรียมทําข้อสอบเหล่านั้นไม่ไม่ซ้อมไม่ทําการบ้านกันพอถึงเวลาที่เข้าห้องสอบก็จะสอบตกคํามาสอบตกก็คือจะต้องทุกข์ทรมานไปกับข้อสอบคือความแก่ความเจ็บ หรือความตายแต่ถ้าเราได้มีการเตรียมตัวทำการบ้านมีการซักซ้อมซ้อมแก่ไว้ก่อนซ้อมเจ็บไข้ได้ก่อนซ้อมตายไว้ก่อนซ้อมพัดพลากจากคนนั้นคนนี้ไว้ก่อนซ้อมพัดพลาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ก่อนพอเวลาเข้าห้องสอบเวลาเจอของจริง เราก็จะสามารถที่จะทําข้อสอบเหล่านั้นได้อย่างไม่มีความทุกข์ทรมานใจใจผ่านไปได้อย่างเฉลวยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเลยเหมือนกับว่าไม่ได้แก่เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับว่าไม่ได้ตายเหมือนกับว่าไม่ได้พลาดพลาดจากใครไป อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้เพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้หมดไปกับเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการทำข้อสอบเลยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทำข้อสอบก็พยายามตัดมันไปเถิดเอาเวลามาเตรียมตัวทำข้อสอบกันเิด เรื่องที่เราต้องทำจริงๆก็มีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเตรียมตัวทาข้อสอบกันเรื่องที่สองก็คือการยังชีพการเลี้ยงชีพของเราอันนี้เราก็ต้องทำกันต้องยังยังต้องทำอาหากินกันอยู่ยังต้องหาปัจจัยสีหาอาหารหาเครื่องนุ่งหง่ม หาที่อ่อาศัยหายารักษาโรคมาเพื่อดูแลร่างกายที่จะต้องไปเข้าห้องสอบต่อไปในวันข้างหน้าแต่ก่อนที่จะเข้าห้องสอบร่างกายก็ต้องสามารถที่จะทำการบ้านได้ก่อนน้นงานหลักๆของชีวิตของพวกเราจริงๆก็มีอยู่สองงานนี้งานแรกก็คืองานเลี้ยงชีพ งานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอแบบเศรษฐกิจพอเพียง อ, อย่าไปหลงไหลยอยู่กับการเลี้ยงชีพแบบฟุ่งเฟือยแบบหรูหราแบบร่ำรวยมันไม่ต่างกันหรอกอยู่ในวงังกับอยู่เป็นขอทานข้างถนนร่างกายมันก็ได้รับการดูแลเท่ากันอยู่ข้างถนนเป็นขอทานก็มีข้าวกิน มีที่หลบแดดหลบฝนตามใต้สะพานเวลาไม่สบายก็ไปรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลสาสิบาทรักษาทุกโรคเสื้อผ้าก็ใส่ไปตามมีตามเกิดร่างกายมันก็อยู่ได้ไม่ต่างจากคนที่อยู่ในวังอยู่ในกอรหัตอันให ญ, ญ, ญโ่โตมโหฬาร ร่างกายมันก็ได้รับสิ่งที่มันต้องการเหมือนกันมันก็ได้อาหารเหมือนกันได้เสื้อผ้ า, าพ่อนจะมีจิตพิสดารแค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่เสื้อผ้ า, าพ่อไว้ปกปิดร่างกายไว้ป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเท่านั้นเองมีบ้านไว้หลบแดดหลบฝนป้องหลบภัยตา่างๆแล้วก็มียารักษาโรค มีแพทย์มีโรงพยาบาลจะให้แพทย์เก่งขนาดไหนโรงพยาบาลดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนมันก็รักษาได้ตามกําลังของมันเท่านั้นถ้าไปเจอโรคที่มันดื้อมันสู้มันก็รักษามันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับการเลี้ยงดูมากกายร่างกายจนเกินเหตุเกินผล เลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเลีเล้ยงแบบพออยู่พอกินไปแบบมากน้อยสันโดษมใ ห, ให้มันอยู่ไปได้วันวันหนึ่งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายก็พอแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปเพราะว่าการบ้านที่เราต้องทำนี้มันต้องใช้เวลามากถึงจะทาได้ทำได้สำเร็จ ถ้าเอาเวลาส่วนใหญ่ไปให้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแบบหรูหราแบบพุ่มเฟยแบบร่ำแบบรวยเวลาที่จะมาเตรียมตัวทำการบ้านมันจะมีไม่พอมันมีน้อยนี่ไม่พูดถึงเอาเวลาที่ไปเสพพวกยาเสพติดทางใจคือรูปเสียงกลิ่นลดโภชพระชนิดต่างๆหรือ การหาราบยศสารเสินแบบไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอการเสียเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้นี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะไปทำข้อสอบเลยมันกลับจะเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะไปทำข้อสอบของเราเราจึงไม่ควรทำกิจกรรมเหล่านี้ควรเน้นจากการหาราบยศสารเสินสุขกัน อย่าไปหามันเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เราจะไปใช้ในการทำข้อสอบได้ <Yeah. S 1> แล้วมันจะเอาเวลาของเราที่มีค่าที่เราจะเอาไปใช้ทําการบ้านนี้หมดไปแล้วพอเวลาเข้าห้องสอบนี้เราแทบจะไม่มีอะไรเข้าไปสู้กับข้อสอบต่างๆได้เลย <Yeah. S 1> ดังนั้นขอให้เรารู้จักการจัดการเวลาของชีวิตเรา ให้เกิดประโยชน์เถอให้เกิดประโยชน์คือประโยชน์ที่จะเกิดจากการที่เราได้เตรียมตัวทำการบ้านกันอันนี้เป็นภารกิจสาคัญสองข้อใหญ่ๆส่วนภารกิจอย่างอื่นไม่จำเป็นไม่มีมันไม่ตายอยู่ได้แล้วก็ไม่ทุกได้ด้วยไม่ทุกได้ไม่มีลาบยศ เ, เสริเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่มีความทุกข์ไม่ทุกข์อยู่ได้อย่างสบายก็เดี๋ยพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชเขาแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขกันหรือเปล่าเขาไม่ได้แสวงหากันเขาแสวงหาเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทําการบ้านทําข้อสอบที่จะเกิดขึ้นใ น, านภายภาคหน้าไม่ช้าก็เร็วนี่แหละ สิ่งที่เราควรที่จะมาปรับปรุงชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรายัางไม่เข้าร่องเข้ารอยก็ควรที่จะมาปรับให้มันเข้าร่องเข้ารอยเสียตั้งแต่บัด น, นี้เพราะเวลาที่เราจะมีเหลืออยู่ก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบนี้เราก็ยังไม่รู้กันว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่ถ้าเราไม่รีบเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้าก่อน เดี๋ยวเกิดเวลาที่จะต้องถูกไฟบังคับต้องถูกเข้าห้องสอบก่อนที่เราคิดว่าจะถึงเวลามันเกิดขึ้นได้การเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายนี้วันดีคืนดีมันจะเจ็บขึ้นมามันก็เจ็บขึ้นมาได้แบบไม่มีสาเหตุแบบไม่มีไม่มีการแจ้งเตือนไว้ก่อนก็ได้ เพราะฉะนั้นขณะ น, นี้ถ้าเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่าประมาทอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะโดยกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานี้มันมันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราประมาทไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่มีใครคาดกันเองคาดฝันได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดว่า ชีวิตจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเอยเหมือนกับวันนี้ไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะนิ่งจะเหมือนเดิมจะเป็นปกติมันไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเกิดมีโรกระบาดมีพิษมีมีสงครามมีเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ เนี่ยเราต้องคิดเรื่องราวเหล่านี้ไว้มันจะได้ทำให้เราไม่ประมาทนอนใจมันจะได้ให้เราเตรียมรีบเร่งทำการบ้านเตรียมตัวรับกับข้อสอบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นวิธีที่เราจะเตรียมตัวรับกับข้อสอบได้นี้เราก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการเวลาของเราเนี่ยเวลาของเราวันหนึ่งก็มีเท่ากันยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยกัน เราต้องพยายามเอาเวลามาให้กับการทำการบ้านทำข้อสอบเตรียมตัวทำข้อสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกเวลานึงก็เอามาเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายอยู่ตามเป็นปกติของมันเลี้ยงแบบมากน้อยสั น, สนโดษตามแนวทางที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุนี่เลี้ยงดูกัน เช่นให้รับประทานอาหารพอประมาณไม่ต้องรับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะว่าร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาหารมากมาขนาดนั้นเลี้ยงพอให้ร่างกายอยู่ได้อาหารมีไว้ดับความหิวแล้วก็รักษาให้ร่างกายอยู่ไปวันวันหนึ่งรับประทานมากก็จะต้องใช้เวลามาก ใช้เวลากับการหาทรัพย์มาซื้ออาหารมารับประทานมากเวลาที่จะมาเตรียมตัวทำข้อสอบก็จะมีน้อยลงไปให้อยู่ง่ายกินง่ายใช้ให้ใช้เวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายให้น้อยที่สุดมักน้อยให้น้อยที่สุดอย่าเสียเวลามากไปกับการเลี้ยงดูร่างกาย เอาเวลามาเตรียมตัวทำข้อสอบกันท่านถึงสอนให้นักบวชทั้งหลายผู้ที่เตรียมต้องการจะเตรียมตัวทำข้อสอบนี้ให้อยู่กันแบบมากน้อยสันโดษเช่นสำหรับพระก็ให้ฉันมือนม้อเดียวฉันมื้อเดียวรับประทานอาหารวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วรับประกรันได้ไม่ตายนี่ก็ฉันมื้อเดียวมาตั้งแต่วันบวช ถึวันนี้ก็อายสี่สิบกว่าปีเข้าไปแล้วก็ยังไม่ตายนะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องสุขภาพแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างการไม่กินมากมันจะทำให้เวลาไปเตรียมตัวทำข้อสอบไม่มีอุปสรรคถ้ากินมากนี่มันจะทำให้เกิดอุปสรรคในการจะไปทำข้อสอบข้อหนึ่งก็คือความเกลียดค้าน เวลาอิ่มแล้วอิ่มมากๆมันก็อยากจะนอนอยากจะพักผ่อนไม่อยากจะไปทำงานไม่อยากจะออกไปทำกิจที่จาเป็นที่จะต้องทำและเวลาทำกิจก็จะรู้สึกง่วงเหงาเหานอนเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเตรียมตัวทำข้อสอบกันนั้นให้อยู่กันแบบมากน้อยสันโดษอาหารก็ พอให้ดับความหิวได้แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารหรูหรูหรูหราอาหารแพงแพงอาหารพิสดารอย่างที่โลกเขานิยมกันเปิดพิสดารเวลนานจะกินอาหารสักมื้อหนึ่งนี่ต้องโอ้ยขับรถวนหาร้านอาหารที่จะมากินกัน เสียเวลาไปเกือบครึ่งวันเตรียมตัวเพื่อไปรับประทานอาหารซึ่งอาจจะใช้เวลาเพียงแค่สาสนาทีก็เสร็จเรียบร้อยถ้ากินเรียบง่ายก็อยู่บ้านทอดไข่เจียวขุงข้าวก็เสร็จแล้วก็จะได้มีเวลามาทําข้อสอบกันมาเตรียมตัวทํากันบ้านทําข้อสอบกันดีกว่าอยู่ง่ายเลี้ยงง่าย นักน้อยสันโดษเสื้อผ้าผ่อนก็ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องผู้ฟ้าไม่ต้องพิสดารเสื้อผ้ามีหน้าที่ไว้ปกปิดร่างกายปกปิดอวัยวะต่างๆไม่ให้ประเจิดประเจิดแล้วก็ป้องกันภัยจากแมลงสัตว์กัดต่อยเลืออากาศที่หนาวเย็นเป็นต้น อันนี้คือหน้าที่เสื้อของเสื้อผ้าจะเสื้อผ้าหรูหราราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าราคาเป็นร้อยมันก็ทำหน้าที่ของมันเท่ากันถ้าใช้ของแพงๆก็ต้องหาเงินมาใช้ก็ต้องเอาเวลาไปหาเงินมามาม า, มาซื้อของแพงๆถ้าใช้ของถูกๆแต่ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันก็ใช้เวลาน้อยกว่า มีเวลาที่จะเอามาเตรียมตัวทำข้อสอบกันดีกว่าที่ภาสาก็เช่นเดียวกันไม่ต้องเป็นภาษ า, าราชวังเป็นข้อรหัสสองร้อยล้านห้าร้อยล้านกันที่กำลังเห่กันทุกวันนี้เอาให้พอที่อยู่ได้ก็พอไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าก็ได้ตายไปก็เอาบ้านไปไม่ได้ทาไมต้องไปซื้อมันทาไม ก็เช่ามันพอให้มันมีที่อยู่หลบแดดหลบฝนไปได้วันวันหนึ่งก็พ อ, อยาว ก, ก็อย่างที่บอกเราก็มีสวัสดิการของรัฐบาลเนี่ยรักษาโรคภัยไข้เจ็บสามสิบบาทเนี่ยนายต้องไปกังวลไปเสียเป็นสามหมื่นสามแสนกันทำไมเวลาเข้าโรงพยาบาลกันแต่ละครั้งไม่มีความจำเป็นหรอกเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็ รักษาได้บ้างไม่รักษาได้บ้างโรคที่พระเจ้าทรงสอนว่าพวกเราจะต้องเจอก็มีแค่สามโรคด้วยกันโรคชนิดที่หนึ่งก็คือโรคที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จะหายไปเองเช่นเป็นหวัดเป็นอะไรนี่ไม่ต้องไปหาหมอไม่หายาก็ได้พักผ่อนหลับนอนให้ร่างกายมันมีกําลังมันก็ฟื้นขึ้นมาเองได้ นี่คือโรคชนิดที่หนึ่งก็คือเมื่อเป็นแล้วถ้ามีความอดทนไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เดี๋ยวมันก็หายเองประหยัดเงินประหยัดทองประหยัดเวลาเดินทางไปหาหมอกันปล่อยให้มันรู้แล้วเดี๋ยวมันก็หายพักผ่อนหลับนอนให้พอ <c oughs> โรคที่เป็นแล้วหายเองก็เป็นโรคชนิดที่หนึ่งโรคชนิดที่สองเมื่อเป็นแล้วต้องรักษา ถึงจะหายถ้าจะเจอโรคแบบนี้ก็ต้องไปหายามารักษาหาหมอมาช่วยรักษาให้ส่วนโรคที่สามนี้เป็นโรคที่เป็นแล้วรักษายัางไงก็ไม่หายอันนี้ก็ <c oughs> ก็จะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้มีผลเท่ากันต่างกันตรงที่เวลาที่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันเอาเวลามาทำข้อสอบเลยดีกว่าถ้าไปเจอโรคชนิดที่สาม เป็นโรคที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายอันนี้ก็คือข้อสอบของเราแล้วข้อสอบที่คือความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายทดสอบต้องมีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีความตายแล้วถ้ารักษาไม่หายมันก็ต้องเข้าสู่ความตายอันนี้ก็จะเจอข้อสอบในไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะไปรักษาตัวที่ไหนหรือไม่ ถ้าเจอลโลกที่สามมันก็เป็นผลเหมือนกันคือไม่หายหรือไม่มก็ตายเท่านั้นจะตายถูกตายแพงถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็สามสิบบาทตายไปโรงพยาบาลเอกชนก็อาจจะสามล้านกว่าจะตายแต่ผลก็คือมันก็เหมือนกันนี่คือเรื่องของร่างกายของเราทุกคน ไม่มีใครที่จะยกเว้นได้ว่าจะใช้เงินทุ่มเทรักษาโรคได้ทุกโรคแล้วก็ให้ร่างกายไม่มีวันตายได้มันเป็นไปไม่ได้งนั้นอย่าไปเสียเวลาหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลเพราะจะทำให้เราไม่มีเวลา ที่จะมาเตรียมตัวทําข้อสอบกันการที่เราจะทําข้อสอบแล้วผ่านได้อย่างสบายนี้เราก็ต้องทําใจให้สงบเท่านั้นแหละอันนี้แหละเป็นเป็นประเด็นสําคัญในการที่เราจะผ่านข้อสอบการผ่านข้อสอบก็คือต้องเฉยให้ได้ต้องนิ่งให้ได้ต้องอยู่ในความสงบให้ได้ เวลาแก่ก็เฉยนิ่งสงบอยู่กับมันไปตามอัตภาพทําอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํามันไม่ต้องไปเดือดดิ้นร น, นวุ่นวายไปกับมันเวลาเกิดจเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาไปตามสภาพรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแต่ใจนิ่งใจสงบใจปล่อยวางใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไปกับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายก็เช่นเดียวกันก็อยู่กับมันไปพิจารณาไปว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานมันเป็น ด, ดินน้ำลมไปกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมาผสมประสานกันทำให้เกิดเป็นอวัย ว, วะสามสิบสองเช่นมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เป็นอวัยวะส่วนประกอบที่ทำให้ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ที่ร่างกายอยู่ได้เพราะมีความสามัคคีของอาการ32อาการ32ต่างทำหน้าที่ของตนก็เลยทำให้ชีวิตคือร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้แต่พอนานเข้าไปเวลาผ่านเข้าไป อวัยวะต่างๆก็เริ่มมีความเสื่อมโทรมมีความชำรุดทุดโทรมตามไปตามกฎของธรรมชาติกฎของอนิจจงเดี๋ยวร่างกายส่วนนั้นก็ชำรุดร่างกายส่วนนี้ก็ชำรุดก็ต้องไปหาหมอไปรักษากันบ า, างทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้บางทีก็เปลี่ยนอวัยวะได้บางทีก็เปลี่ยนไม่ได้ แต่ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ตามงนที่สุดมันก็ต้องไปสู่จุดที่ทําอะไรไม่ได้กับร่างกายรักษาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันจะต้องให้มันสิ้นสุดลงไปตามวาระของมันเนี่ยช่วงที่เราจะต้องเจอข้อสอบเหล่านี้เราสามารถทําใจของเราให้นิ่งให้สงบไม่ให้ไปทุกข์ไม่ให้ไปวุ่นวายไปกับมันได้หรือไม่ ถ้าเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวของร่างกายเลยไม่เคยทําการบ้านเลยนี้พอเวลาเข้าห้องสอบนี้เราจะทําไม่ได้ใจของเราจะหวั่นไหวกันใจของเราจะเครียดกันใจของเราจะหวาดกลัวใจของเราจะซึมเศร้าจะเศร้าหมองจะรู้สึกเครียดมีความ หวาตัวแต่ถ้าเราได้มีการเตรียมตัวทำการบ้านไว้ก่อนรู้จักการทำใจให้สงบรู้จักการสอนใจให้ปล่อยวางให้รู้ว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราคือร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นเพียงเหมือนกับเป็นคู่ครองของเราเป็นเหมือนสามีภรรยาของเราที่เรา ใช้ในการแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่คู่ครองของเรานี้เขาก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวเรเขาจะต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาแล้วในที่สุดเขาก็จะต้องจากเราไปถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะ ไม่ทุกกับเขาไม่ทุกกับความพัดภาคจากร่างกายนี้ไปวิธีที่จะทำให้เราไม่พัดภาคจากร่างกายไม่ทุกกับการพัดภาคจากร่างกายก็คือนี่แหละคือการพนาําไปทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี้จะได้ประโยชน์สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือ เราจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายในการหาความสุขให้กับใจของเราตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลธัพพชนิดต่างๆนั่นเองเรายังมีการมาตัิหา มีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลินอกอ่นนัดเยื่เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดนี้จะต้องคอยหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ขาดยาเสพติดเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา <Yeah. S 1> อันนี้เวลาที่ร่างกายเราจะต้องตายไปนี้เราจะเกิดความทุกข์ทรมานใจมาก เพราะเราจะไม่สามารถเสพยาเสพติดที่เราเคยเสพได้อยู่เป็นประจำเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายมันเกิดเสื่อมสภาพลงไม่สามารถที่จะตอบสนองตันหาความอยากของเราได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเสียตั้งแต่บัดนี้ อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์อย่าไปใช้ตาหูจมูก น, นิ้ u n า i เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้เรามาใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่แหละเป็นความสุขที่ดีกว่าด้วยดีกว่าความสุขมากกว่าด้วยมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจาก ทางร่างกายและก็เป็นความสุขที่จีรังถาวรด้วยที่เราสามารถที่จะมีรักษาไว้ให้อยู่กับใจของเราไปได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องขึ้นพาสายร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายจะมีหรือไม่มีก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทำให้เราต้องทุกข์ให้วุ่นวายใจ ว่เาเราจะมีความสุขหล่อเลี้ยงใจของเราด้วยการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี่เองปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าทรงสอนเพื่อทําใจให้สงบเพื่อจะได้พบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังที่ได้ทรงตัดไว้ว่าลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงอันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการแสวงหากัน อย่าไปทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาเวลาให้กับการหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะมันเป็นการเหมือนกับการเสพยาเสพติดหายาเสพติดมาเสพและเวลาที่เกิดมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะหาหรือเสพได้เวลานั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งให้มาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายดีกว่า อใช้ธรรมะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาทำใจให้นิ่งให้สงบใจนิ่งสงบแล้วใจจะมีอุเบกขาจะวางเฉยได้จะไม่เดือดร้อนไม่พึ่งไม่เดือดร้อนกับการไม่มีอะไรการใจที่มีความสงบใจที่เป็นอุเบกขานี้อยู่กับความว่างเปล่าได้อยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ แบบไม่รู้สึกเศร้าได้ไม่รู้สึกเหงาได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกไม่มีความสงบอยู่นี้เวลาต้องอยู่คนเดียวเวลาที่สูญเสียคนที่เรารักไปสิ่งที่เรารักไปนี้จะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาจะซึมเศร้าได้เวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อันนี้แหละเป็นที่มาของโรคซึมเศร้าทั้งหลาย โรคซึมเศร้าก็คือโรคของความผิดหวังขาดขาดสิ่งที่ต้องการมาเสดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่ได้ก็เลยทำให้เศร้าเศร้าทำให้เสียใจถ้าเป็นไปนานๆก็จะซึมเศร้าเพราะจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามที่ปรารถนามันก็เลยเกิดอาการเศร้า เกิดอาการซึมขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องหาสิ่งต่างๆที่บางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้ผ่านทางร่างกายนี้เรามาหาสิ่งที่เราหาได้ตลอดเวลาและเก็บไว้ได้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ดีกว่าเลยก็คือการมาหาความสงบนี่ประโยชน์คือถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังมีความสุขได้มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากทางร่างกายด้วยแล้วก็จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายถ้าใจสงบใจนิ่งเฉยนี้ ไม่ว่ามีอะไรจะมากระทบผ่านทางร่างกายนี้จะไม่ทําให้ใจเราเดือดร้อนเลยไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติภัยจากมนุษย์ภัยจากเชื้อโรคภัยจากอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามากระทบกับร่างกายมันก็อยู่ที่ร่างกายมันจะไม่เข้ามาที่ใจเพราะใจมีธรรมะไว้ป้องกันไม่ให้เอาเข้ามาในใจใจมีความสงบ เวลาใจสงบใจจะไม่เอาเรื่องราวต่างๆภายนอกใจนี้เอาเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับใจแต่ถ้าเวลาที่ใจไม่สงบนี่ใจก็จะไปเอาเรื่องราวต่างๆที่อยู่นอกใจเข้ามาเผาใจเอาไฟเข้ามาเผาใจเอาเรื่องราวของคนนั้นคนนี้เรื่องราวของร่างกายเราเรื่องราเรื่องราวของอะไรต่างๆที่เราไปรับรู้นี่ เอาเข้ามาเผาหัวใจเราด้วยความทุกข์ด้วยความทรมานใจ <Yeah. S 1> เพราะเราไม่มีความสงบ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วใจจะไม่ไปไขว่คว้าอะไรเข้ามาใจจะเย็นใจจะสงบใจจะสบาย <Yeah. S 1> อันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเตรียมตัวกันมาทากันมาสร้างกันให้ได้ <Yeah. S 1> เพราะถ้าเรามีแล้ว <Yeah. S 1> เราก็จะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุข ไม่ว่าจะร่างกายจะเป็นอะไรหรือบุคคลที่เรารู้จักจะเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรโลกนี้จะเป็นอะไรต่อให้โลกนี้มีสงครามนิวเคลียร์มีระเบิดถล่มกันตายกันในหมดทั้งโลกมันก็ไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกทิพย์ใจสามารถแยกออกจากร่างกายได้ ร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วจะมีอะไรเหตุการณ์อะไรหรือไม่มันก็ต้องตายของมันไปตามวาระของมันอยู่ดีมันก็ต้องเจ็บไปตามวาระของมันอยู่ดีแต่ใจที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายใจที่มีความสงบนี้ก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายนี่แหละคือการเตรียมตัวทำข้อสอบของพวกเรากอนก็คือ ต้องทำใจให้สงบให้ได้ตลอดเวลาและสามารถทาได้ถ้าเรามีเวลามามาทำกันแต่ถ้าเราไม่เอาเวลามาทำกันยังมัวเอาเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสภาพชนิดต่างๆอยู่ยังมัวเวลากับการไปเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยอยู่มันก็จะไม่มีเวลาที่จะมา ทำใจให้สงบกันได้นี่คือเรื่องของการจัดเวลาของชีวิตของพวกเรานะควรจะจัดเวลากันใหม่จัดตารางการกระทำของเราใหม่ให้ทำอยู่เพียงสองเรื่องเท่านั้นเรื่องที่หนึ่งก็คือเลี้ยงดูล่างกายแบบมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสารวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง ท่านกินท่านอยู่แบบไหนสมถะเรียบง่ายหรือรูหราฟุ่มเฟือยผลมันได้เหมือนกันแล้วดีไม่ดีอยู่แบบสมถะเรียบง่ายนี่กับอายุยืนยาวกว่าพวกที่อยู่แบบรูหราฟุ่มเฟือยที่โกอยู่หรูหราฟุ่มเฟือยกินแบบไม่อั้นนี่ตายกันไปเยอะแยะตายก่อนกันเยอะแยะอายุไม่ท่าไหร่ก็ตายกันไปพวกที่อยู่แบบสมถะ นักน้อยสันโดษนี่อยู่กันไปถึงร้อยปีเก้าสิบกว่าปีร้อยปีบางทีก็เกินร้อยก็มีแต่พวกที่อยู่กันแบบหรูหราพุ่งเฟือยกินยแบบกินของมันๆเค็มๆหวานๆกินงินแบบกินของเปิดพิสดารในต่างๆเนี่ยมักจะตายไวกว่าบางทีอายุไม่ถึงหกสิบก็ตายไปก็มีอันนี้แหละคือ ใช้เหตุผลดูพิจารณาดูอย่าให้ความโลภความอยากในรูปรดเสียงรยงรูปรู ป, รปรกลิ่นเสียงของอาหารของสิ่งต่างๆในโลกในโลกนี้มาหลอกล่อให้เราไปเสพแล้วมันกลับมาทำลายร่างกายที่มีคุณค่าของเราให้มีอายุสั้นลงบางพวกก็เสพพวกยาเสพติดเสพสุรายาเมาเสพ บุหรี่สบบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้ของพวกนี้มันเป็นพิษเป็นภัยถ้ามันเส็บมากมันก็จะมาทำร้ายร่างกายของตนเองทาให้ชีวิตสั้นลงชีวิตที่มีคุณค่าราคาอย่างยิ่งที่นานๆจะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ว่าเราทุกคนนี้เป็นพวกเป็นพวกนักเรียนที่ต้องเข้าห้องสอบกัน การมาเกิดของพวกเราแต่ละครั้งนี่ก็เป็นการเหมือนกับการมาเข้าโรงเรียนชีวิตนโรงเรียนชีวิตก็คือชีวิตของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกพวกเรานี้พวกเราก็จะไม่รู้กันก็จะไม่เตรียมตัวกันมามาเข้าเรียนโรงเรียนอีกครั้งก็หนีไม่เข้าเรียนกัน กลับไปทะเลทลายกลับไปหาอย่างอื่นทากันไปหาของหรูหราหาของพุ่มเฟือยหาของแพงๆอยู่กินอยู่ใช้กันแล้วก็ไปหาลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพกันพอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็สอบตกกันผลของการสอบตกก็คืออะไรก็ต้องเรียนซ้าชั้นใหม่ก็ต้องกลับมาเรียนใหม่ กลับมาพบหน้าก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาเจอข้อสอบใหม่แล้วถ้าไม่มีครูอาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มามาสอนว่าเรากำลังเป็นนักเรียนเรากำลังจะมีข้อสอบที่เราจะต้องทำกันถ้าไม่มีก็จะไม่ไม่มาเรียนกันก็จะกลับมาเสบรูปเสียงกลิ่นแล้วเสบลาบยศสรรเสริญกันแล้วพอถึงเวลาเข้าห้องสอบก็สอบตงกัน สอบตกมาไม่รู้ว่ากี่แสนครั้งแล้วกลับมาเกิดพอเข้าห้องสอบก็ทุกข์กันร้องห่มร้องไห้เครียดกันหวาดกลัวกันแล้วเวลาตายไปก็ตายอย่างทุกข์ทรมานใจแล้วพอพอผ่านไปเดี๋ยวก็กลับเข้ามากลับมาเกิดมาอีกเพราะเมื่อทำข้อสอบไม่ผ่านก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย แต่ถ้าทาข้อสอบผ่านปั๊บนี่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วยุติการเกิดได้ถ้าผ่านความแก่ความเจ็บความตายได้ผ่านความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาสร้างขึ้นมาได้ต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาทำข้อสอบอันนี้แหละคือชีวิตของพวกเราที่เราไม่รู้กัน ความหลงมันหลองให้เราคิดว่าชีวิตของเราคือการแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ในปร ะ, ประเทศไหนนี่ทุกคนเหมือนกันทุกคนเกิดมาเพื่อหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผภากันไม่มีใครคิดว่าเกิดมาเพื่อมาทาข้อสอบกันเลยมาเตรียมตัวทำข้อสอบกันมีแต่คิดว่าจะมาหาความร่ารวยกัน มาหายศหาตำแหน่งกันมาหารางวีร่รางวัลกันมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆ ก, กันก็เลยไม่ไม่รู้ว่าตัวเองนี้กำลังหนีโรงเรียนไม่ทำการบ้านกันพอถึงเวลาต้องเข้าห้องสอบก็สอบตกกัน น, นี่แหละเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้ จะไม่มีครูอาจารย์ที่จะมาคอยเรียกนักเรียนา่านักเรียนเข้าห้องเรียนกันได้แล้วมาทำการบ้านกันมาทำข้อสอบกันมาเตรียมตัวทำข้อสอบกันอย่าไปทะเลทลายอย่าไปหาอย่าไปเล่นกับลาบยศสรรเสริญสุขให้เอาเวลามาทำการบ้านมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันดีกว่ามาอยู่แบบมากน้อยสันโดษกัน เอาเวลามาทำสองอย่างนี้ก็พออย่างอื่นอย่าไปทำมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ช่วยให้เราได้ทำข้อสอบให้ผ่านได้สิ่งที่จะทำให้เราทำข้อสอบผ่านได้ก็มีการาทำอยูสอ่สองอย่างนี้เองเคือหนึ่งการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงทองด้วยความมากน้อยสันโดษนี่เป็นวิธีที่พระอริยบุคคลทุกทุกรูปจะทำกันสังเกตดูดูชีวประวัติของพระ สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าหรือแม่ของตัวพระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านก็อยู่กันแบบมากน้อยสันโดษทัานั้นกินมื้อเดียวเสื้อผ้าก็ใช้ผ้าบางสกุลคือเศษผ้าเก็บเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าชา้าตามกองขยะเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามาเย็บมาทำเป็นผ้าห่มได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินไปซื้อเสื้อผ้าพรต่างๆมา เอาของฟรีดีว่าของฟรีมีกับไม่เอากันชอบของเสียตังกันก็เลยต้องวุ่นวายกับ ก, บการไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อของที่จะต้องใช้เงินใช้ทองกันของฟรีมีอยู่เยอะแยะเนี่ยแม้แต่สมัยนี้เสื้อผ้าเก่าๆเขาทิ้งกันเยอะแยะไปหมดถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าลองไปเดินดูตามกองขยะเถอะต้องเจอ แล้ถ้ารู้จักวิธีมาตัดมาเย็บใหม่มาดัดแปลงใหม่เดี๋ยวมันก็เอามาใส่ได้อยู่ได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อเสื้อผ้าต<ฮ>่างๆพระอริยบุคคลท่านอยู่แบบนั้นอยู่แบบมากน้อยกิยนมื้อเดียวใช้เสื้อผ้าพรของที่เขาทิ้งแล้วผ้าบางสกุล น, นี้ก็คือของที่ทิ้งแล้วผ้าที่เขาทิ้งแล้วกันยารักษาโลกก็โลกลกรครักษาไปตาม ธรรมชาติธรรมชาติบำบัดก็คือกินของที่มีอยู่ที่ใช้ได้คื อ, อยาดองน้ำมูดเ่ยาดองน้ำมูดก็เอาน้ำปัสสาวะมาดองกับผลไม้เช่นสมอหรือมะหรือมะขามอมะขามป้อมอย่างนี้แล้วก็มาดองแล้วมันก็จะได้น้ำของผลไม้นี้ผสมกับน้ำปัสสาวะแล้วเวลาปวดท้องปวดศีรษะปวดอะไรก็ดื่มมันมันก็ช่วยบรรเทา การเก็บไข้ได้ป่วยได้ถ้าไปเจอโรคที่รักษาไม่ได้ก็ก็ต้องใช้อย่างอื่นใช้ธรรมโอสถแทนแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าป่าเขานี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่ตามป่าตามเขาหาเอาใบไม้กิ่งไม้มาทําเป็นเพิงมาให้หลบแดดหลบฝนหรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่ตามถ้ำตามเงื้อมผาต่างๆ เป็นที่เหมาะกับการบำเพ็ญด้วยท่านต้องการจะทำการบ้านกันท่านต้องการที่จะสร้างความสงบให้กับใจกันการที่ไปอยู่สถานที่เหล่านั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นที่เหมาะกับการเจริญสัมมณะสมมธรรมคือการเจริญความสงบให้กับจิตใจต้องอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจต่างๆให้อยู่ ติดวิเวกอยู่คนเดียวไม่คลุกคลีกันเวลาคลุกคลีกันมันก็จะมาทําลายความสงบเอาเวลาที่จะไปทําความสงบมาคุยกันมาสนทนากันแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวก็คุยไปคุยมาก็ทะเลาะ ก, กันสิกลายเป็นปวดกันกสิช่วยอย่าคลุกคลีกันดีกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนกันคือการพยายามทําใจให้สงบกันนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ ผู้ที่สอบผ่านเนี่้วเราอยากจะรู้ว่าละวิธีจะสอบผ่านกันคนที่เขาสอบผ่านเขาทำอย่างไงเขาก็อยู่แบบนี้แหละเขาก็อยู่กันแบบมากน้อยสันโดษแล้วก็อยู่ในที่สงบอยู่ที่วิเวกกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกคําว่าวิเวกก็สงบสงับแต่จะทําให้ใจสงบสงัดกายต้องสงบสงัดก่อนสถานที่ที่กายอยู่ต้อง พ้อมร้อมด้วยความสงบสงันติถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความอุ ก, กระทึือกขึกนโคลมนี่ทำให้ใจสงบสงันติไม่ได้เช่นลองไปนั่งสมาธิในศูนย์การค้าดูในสถานที่มีคนทุกพ่านตามสถานสถานีรถไฟสถานีรถไใต้ดินเลยเราไปนั่งดูแล้วดูซิว่ามันจะทำใจให้สงบได้ไั้ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าสถานที่มันไม่วิเวกมันไม่สงบ การที่จะทำใจให้สงบได้นี้ต้องอาศัยสถานที่คือกายยุเวก่อนนี่คือการกินการอยู่ของของผู้ที่ทำข้อสอบผ่า น, นท่านอยู่แบบเรียบง่ายมักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เอาเวลานี้มาให้กับการทำการบ้านทำข้อสอบการบ้านที่ท่านต้องเตรียมทำก็คือการทำใจให้สงบ และการที่จะทําใจให้สงบนี้ท่านก็ต้องมีธรรมะคือหนึ่งต้องมีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรในการทําการบ้านในการสร้างความสงบให้กับใจและธรรมะที่จะทําให้ใจสงบก็คือสติต้องหมั่นเจริญสติเพียรเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่คนเดียวถ้าไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พอเสร็จจากภารกิจเลี้ยงท้องก็จะมีเวลาที่จะมาเพียขนขณะที่ทำภารกิจก็สามารถเพียนทำความเพียนเจริญสติได้สามารถทำควบคู่ไปกับการไปาหาอาหารมารับประทานได้เช่ในไปบินระบาทท่านก็เจริญสติเดินไปก็มีสติอยู่กับการเดินคอยควบคุมใจไม่ให้ไปดูคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้จํารวมตา หูจมูกนิ้นกายให้อยู่กับการประคับประคองบาทกับการเวลาเปิดฝาบาทปิดฝาบาทเวลาที่มีผู้มีศรัทธาจะใส่บาทให้มีท่านเนี่ยพยายามรักษาสติอยู่ตลอดเวลากลับมาที่พักเวลาจะฉันก็ก็มีสติอยู่กับการขบฉันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ให้ใจอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาให้สักแต่ ร, รู้ไม่ให้คิดตุ้มแต่งถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะทํากิจอะไรก็ตามเมื่อเสร็จกิจจําเป็นที่จะต้องทําแล้วก็ไปทํากิจต่อด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปหลังจากที่ฉันเสร็จใหม่ๆรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆถ้าไปนั่งสมาธิมักจะนอนหลับมักจะม่วงกันเพราะช่วงนั้นร่างกายมันอิ่มมันต้องการอยาก ความอยากนอนมันจะมีมากช่วงนั้นจะไม่นิยมที่จะมานั่งสมาธิกันมักจะนิยมเดินจงกรมกันเดินจงกรมเพื่อให้อาหารมันได้อได้อได้ย่อยอาหารย่อยทําให้ท้องเริ่มเบาลง อ, อาการง่วงเหงาหงานอนก็หายไปเดินจงกรมสักพักหนึ่งพอรู้สึกว่าหายแล้วไม่ง่วงแล้วก็ค่อยมานั่งสมาธิกัน ัางสมาธิสลับกับการเดินจงกรมไปขั้นต้นก็เอาแต่สติอย่างเดียวก่อนเพราะต้องการให้ใจเข้าสมาธิให้ได้เพราะถ้ายัางใจยังไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขาจะไม่สามารถเอาปัญญามาใช้ในการควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้ต้องต้องมีเครื่องมือต้องมีสมาธิมีอุเบกขาที่จะเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกทีหนึ่ง และการที่จะมีสมาธิก็ต้องมีเครื่องมือทำให้เป็นสมาธิเครื่องมือของสมาธิก็คือสติ<ม>ถ้าไม่มีสติก็ทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้นิ่งสงบให้มีความสุขให้ปล่อยวางไม่ได้<ม>ต้องฝึกสติมากๆสลับกับการนั่งสมาธิ<ม>ถ้าทำอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่องนี่พระวจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าไม่แน่ บางทีก็เจ็ดวันก็ทำได้ทาจิตให้รวมทจิตให้สงบนิ่งได้เจริญปัญญาต่อได้ทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้ามีการปฏิบัติอย่างนี้ถ้ามีความเพียรอย่างนี้ทำหน้าที่สองอย่างนี้เท่านั้นคือหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายแล้วก็หน้าที่ทำการบ้านทาเตรียมตัวทำข้อสอบกัน ด้วยการหมั่นจเจริญสติกันก่อนในเบื้องต้นฝึกสติอยู่ตลาดเวลาพอมีสติก็จะนั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิถ้าสติต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้บางทีห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมได้จิตรวมสงบนิ่งจิตก็จะพบกับความสงบพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ความสุกกันนี้แหละที่จะทำให้จิตไม่อยากจะกลับสามารถที่จะยับยั้งความอยากที่จะกลับไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาได้ถ้าไม่เข้าถึงความสุขกันนี้ถ้าไม่ระมัดระวังถ้าเผลอปล่อยให้ใจคิดไปตามอานาจของกิเลสดีไมด่ดีก็อาจจะถูกมันฉุดลากให้กลับไปแสวงหาราบยศสรเสริญสุขได้แต่ถ้ามีความ ระมัดระวังคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆกิเลสที่จะมาหลอกนึงใจให้ไปหาความสุขทางลาบยศสารเสริญสุคนี้ก็จะมีน้อยมากแล้วยิ่งถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วยิ่งจะทําให้ไม่มีความคิดอยากจะกลับไปเลยเพราะมันความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองพอได้ความสงบอันนี้แล้วทีนี้ก็จะสามารถ จเจริญปัญญาได้เวลาออกจากสมาธิมาเพราะว่าสมาธินี้ยังไม่ได้กำจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังไม่ได้กำจัดความอยากในลาบยศสรรเสิริญเพียงแต่ว่ากดมันเอาไว้เหมือนเหมือนหินทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าหญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเอาหินออกไปเดี๋ยวสักพักหญ้ามันก็จะ ง, งอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ เพราะรากของมันยังไม่ตาย mm hmm. กิเลสก็เหมือนกันรากของกิเลสมันไม่ตายจากการทำใจให้สงบเ mm hmm. พราะไม่ได้ขุดถอนรากมันออกมาจากใจเห็น mm hmm. จะสามารถถอนรากของกิเลสออกมาจากใจได้ก็คือปัญญา mm hmm. พอได้สมาธิแล้วชานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็หัดใช้ปัญญาพิจารณา สิ่งที่กิเลสต้องการว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและการอยากการโผล่ขึ้นมาของกิเลสแต่ละครั้งก็เป็นความทุกข์เพราะเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาทีไรจะทำให้ใจที่เย็นนั้นกลับร้อนขึ้นมาทำให้ใจที่นิ่งกลับกระสรับกระส่ายขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้ถ้าปฏิบัติถ้ามีสมาธิเราจะเห็นความแตกต่างเวลาที่กิเลสทำงานกับเวลาที่กิเลสไม่ทางาน เวลากิเลสทำงานนี้ใจจะกระเพิ่มใจจะร้อนขึ้นมาเวลากิเลสไม่ทำงานใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสลายอันนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้เรารู้ว่าเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่พอกิเลสโผล่ว่าอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี่ก็รู้เลยว่ากิเลสมาแล้วแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแล้วทีนี้ปัญญาก็จะสอนใจว่า ทางที่สิ่งที่กิเลสต้องการให้เราไปหานี่มันเป็นไม่เป็นของไม่เที่ยงถึงแม้มันจะดีจะวิเศษยังไงมันก็เป็นของชั่วคราวเวลามันเสื่อมมันหมดไปความวิเศษมันก็หมดไปความสุขที่ได้จากมันมันก็หมดไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความทุกข์ใจความเศร้าใจพอเห็นผลที่จะเกิดตามมาจากการที่ไปทาตามความอยากของกิเลสมันก็จะไม่ไปทำอีกต่อไปมันเห็นด้วยปัญญา ว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเพราะตามกฎของตายรักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวอนิจจังมันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราไปทำให้มันเป็นของถาวรไม่ได้เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะหมดก็หมดมันจะมาก็มาไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ ถ้าไปอยากได้มันหรือไม่อยากได้มันเวลาเจอมันก็จะทุกข์ขึ้นมาฉะ <c oughs> นั้นต้องตัดความอยากกับสิ่ง <c oughs> ต่งตางๆที่กิเลสต้องการให้ใจไปหามาเพื่อให้ความสุขกับใจแล้วก็ให้รู้ว่าการที่ถ้ารู้ว่าพอหยุดความอยากแล้วมันใจก็จะนิ่งจะกลับมาสงบแล้วก็เป็นความนิ่งความสงบที่ถาวรเพราะความอยากตัวที่เราได้แล้แลวมันก็จะไม่มีอานาจที่จะกลับมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจได้ต่อไป พอใจไม่ไปทาตามมันแล้วพอรู้แล้วว่าเป็นการไปหาความทุกข์จากการไปทำตามความอยากตา่างๆอันนี้แหละจะทำให้เราสามารถควบคุมใจให้สงบได้ตลอดเวลาเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกิเลสมันก็จะออกมาให้เราอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปแต่ความจริงมันเราไปสั่งมันให้มันหายไม่ได้ หมอยังรักษาไม่ได้แล้วเราไม่ใช่เป็นหมอจะไปทําให้มันหายได้ยังไงแต่เราไม่ทุกกับมันได้ถ้าเราไม่ประหยาดกับมันเราก็ปล่อยให้มันทุกข์ปล่อยให้มันเจ็บไปเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็อยู่เฉยๆต่างฝ่ายต่างอยู่กันเขาร่างกายเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเราทําอะไรให้เขาไม่ได้เราก็อยู่เฉยๆไปปล่อยวางไปเราก็ตั้งอยู่ในความสงบไปเวลามันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจัง ถ้าไปห้ามไปอยากให้มันไม่ตายก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อามันจะตายก็ต้องให้มันตายไปแต่เราผู้พิจารณาร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับมันเมื่อมันตายเราก็ยังอยู่ต่อไปแล้วอยู่กับอยู่แบบสบายซชอยู่แบบไม่มีร่างกายนี้ดีกว่าอยู่แบบมีร่างกายมีร่างกายก็ต้องยีวยาดูแลรักษามันไปเวลาไม่มีร่างกายแล้วก็อยู่สบายเหมือนตอนที่เรา น, นอนหลับเนี่ย ชีวิตของเรานี้ความจริงความสุขอยู่ที่ตอนนอนหลับนี่พอตอนนอนหลับนี่เรื่องราวต่างๆหายไปหมดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องร่างกายหายไปหมดหลับสบายน่แหละความตายก็คือการหลับหลับแบบยาวถ้ามีความสงบแล้วมันก็จะหลับแบบไม่ไม่กลับมาเกิดอีกแต่ถ้ายังมีความอยากอยู่มันหลับแล้วเดี๋ยวพอมันถึงเวลามันก็จะดึงให้กลับมาเกิดใหม่อีก แล้วก็กลับมาทุกต้องกลับมาทำข้อสอบใหม่อีกนี่คือเรื่องราวที่เราควรที่จะเอามาคิดกันเกี่ยวกับเรื่องเวลาของเราที่มันจะค่อยๆหมดไปอย่าประมาทอย่าเอาเวลามีค่านี้ไปใช้กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเอาเวลานี่มาใช้กับสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับใจก็คือหนึ่งการเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษแล้วก็การมาทาใจให้สงบ ด้วยการเจริญธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญก็คือวิริยะความขยันหมั่นเพียรในการที่จะเจริญสติจเจริญสมาธิแล ะ, ะเจริญปัญญากันถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ถือว่าเราได้เตรียมตัวทำการบ้านกันพอถึงเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะได้สามารถทำข้อสอบได้อย่างสบายไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริโผล่เตสาขลังเอวเนวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปก ป, กปติอิชีติต่างปัจชต่างตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยทามนิโชติอระโสยทัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีตีขายุโกภวะ อาภิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวะทานติอายุวโนโสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าจะ เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจหรือทาง YouTube ก็ได้หรือจะมาถามเองก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ทาง Facebook พระจารย์สุชาติ446 YouTube พระสุชาติไลฟ์319 YouTube Dr.V c h a n ว e ชา113วิทยุออนไลน์6 c l ับ h o u s ์7 หน้ากุติสองร้อยสี่สิบรวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะถ้ามไม่มีเอาทางบ้านก่อนก็ได้คุณหมอเหรอใช่คุณหมอตรงไปใด้คุณหมอเล ย, เลย<อ>พูดได้เลยคุณหมอพูดใกล้ใครัครบเอ่อที่หลวงพ่อสอนเรื่อง <c oughs> ขันห้ากับนาาขันครับหลวงพ่อ คือผมมองว่าตัวนามขันนี่มันเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันมองไม่เห็นแล้วก็รับการรับในการประมวลข้อมูลได้ประมวลข้อมูลความ<อ>จำอะไรต่างๆในข้อมูลสิ่งที่กระทบข้อมูลที่เข้ามาทุกครั้งนี่หนูว่านามขันั้อ ง, งทุกตัวมันทํางานหมดเลยไหมะฮะใช่มันจะบันทึกไว้หมดทางตาเขจะหมุนเล้นกาที่รับไปรับมานี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในสัญญา m ม m o r y สัญญาไปว่าความจำแล้วสังขารก็คือตัว processor ที่ยาวเรื่องราวต่างๆขึ้นมาปรุงแต่งเอามาคิดมาปรุงแต่งมาจินตนาการมาในรมิตใหม่ยิ่นตอนเวลานอนหลับเนี่ราก็ยาวข้อมูลที่เราไปทำกิจวัตรแล้วก็เวลาฝันขัสังขารัก็จะปรุงไป ตามจิตนาการของมันโดยตัวตัวมันเองโดยเราไม่รู้ตัวออมันไปตามอำนาจของบุญหรือบาปเพราะข้อบุญที่ดีมามันก็จะมันก็จะปรงแต่งเรื่องที่ดีถ้ามีข้อมูลที่ไม่ดีเรื่องที่ไปทำร้ายกันไปมีเรื่องมีรากันฆ่าฟันกันมันก็จะเรื่องเรา <laughs> มาแต่งนะครับเสรงว่าเสรวทุกครั้งที่ข้อมูลเข้ากระทบเนี่ย ต, ตัวเวทนาสัญญาสังขาร ตัวนี้ต้องต้องทำงานหมดมันทํางานพร้อมกันเป็นทีสี4ตัวนี้พร้อมกันหมดพร้อมกันหมดลำต้นดิมิญญาณรับเข้ามารับรับข้อมูลเข้ามาก่อนส่งให้กับธาตรู้แล้วก็เข้ามาที่สัญญาครับจิตสัญญาเก็บไว้สังขารกข้ามาปรุงแต่งต่อครับแล้วกเกิดเวทนาขึ้นครับในคารรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ธาตุรู้ถูกกระตุ้นให้ ตันหาอยู่ในท่ารู้ในถูกกระตุ้นให้สร้างที่หลวงพ่อเรียกว่าทุกซ้อนทุกอันนั้นเกิดจากความหลงไงที่ไปเจอเวทนาที่ชอบว่าอยากจะให้มันอยู่ไป น, นางนัครบเจอเวทนาที่ไม่ชอบว่าอยากจะให้มันหายไปไเร็วที่พอไปเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความเครียดขึ <c oughs> ้นมาแล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับเช่นเจอทุกเวทนาก็อยากจะให้มันหายมันไม่หายก็เครียด แล้วก็เข้าไปเมนะเบรสังขานให้ทํางานต่อมันก็ไปมันก็ไปกระตุ้นให้มันยิ่งปรุงแต่ายมากขึ้นก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นมากขึ้นทางที่ถูกก็คือต้องหยุดสังขารหยุดความอยากอยากประอยัดเพราะบังคับมันไม่ได้เปลียนไม่ได้เวทนามันเป็นไปตามเผศตามปัจจัยับมันจะสุขก็ร่วมมันสุขมันจะทุกข์ก็รู้มันทุกข์ถ้ารู้เฉยๆแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อน เพื่อถ้ารู้ถ้ารู้ตอนนี้ก็จะไม่เข้าไปยุ่งไม่ต้องยุ่งไม่เข้าไปยุ่งสั่งแต่ว่ารู้ไงสั่งแต่ว่ารู้เห็นก็สั่งแตว่าเห็นได้ยินก็สั่งแต่ว่าได้ยินเพราะแต่ละครั้งที่เราเห็นเราได้ยินเราจะเกิดเวทนาขึ้นมาไม่สุขก็ทุกข์หรือไม่งั้นก็ไม่สุขไม่ทุกข์สามอย่างนี้แล้วพอเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาสุขเวทนาก็อยากจะได้ทุกข์ก็เวทนาก็อยากให้มันหาย ไมสุขไม่สุกไม่ทุกเวทนาก็อยากจะทําอยากจะหาอะไรมาทำให้มันเป็นสุขเวทนาขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนมันแล้วอย่างเวลาถ้าเกิดนอนหลับที่หลวงพ่อบอกว่ามันมันปรุงไปเองหพ่ออาจารย์ น, นั่นเป็นอำนาจของของของบุญบาปที่เราทําข้อมูลที่เราสะข้อมูลเก่า ข้อมูลเกา่าแล้วก็สัขงขารก็จะเอามาข้อมูลเกา่เาเอามาจากสัญญามาปรุงแต่ทงทานเพราะนั้นว<ๆ>ิญญาณไม่ทํางานวิญญาณไม่ได้รับรูปเสียงกลิ่นแล้วเพราะร่างกายพัอค ร, รับก็เลยต้องอาศัยข้อมูลที่มีอยู่กับวิญญาณนี้เป็นผู้รับข้อมูลใหม่เ่ยไงตอนนี้คุณหมอรับข้อมูลใหม่ตลอดเวลาแต่เวลานอนหลับนี้ข้อมูลใหม่เข้ามาไม่ได้ครับแต่ใจยังต้องการเสพยังต้องการมีเรื่องราวอยู่ก็เลยเอาเรื่องเก่ามา มาวีรันเหมือนดูละครวีรันมารีรันใหม่ถ้าบันทึกเรื่องราวที่สนุกก็จะได้ดูเรื่องสนุกถ้าไปบันทึกเรื่องราวบู้มันก็จะได้ดูแต่เรื่องบู้แล้วตอนนี้ตอนที่หลับเนี่ยถ้ารู้เนี่ยสังขารปัญหาที่อยู่ในท่ารู้ทางานไหมหลวงพ่อมันก็ทําไปตามที่มันเคยทำอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ยังทุกข์อยู่บางทีฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เครียดตัวอ๋อเครียดอ๋อ เพราะฉะนั้นไม่มีสติควบคุมทุกอย่างมันเป็นไปตามอัตโน ม, มัติตามที่เคยได้ฝึกสอนมาครับมันเคยมีปฏิกิริยาอย่างไรมันก็จะมีปฏิกิริยาอย่างนันครบถ้าฝึกไปต่อไปแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อไปนอนหลับมันก็ไม่มีปฏิกิริยาคือไม่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วรู้เฉยๆไครับแล้วแล้วตัวที่ของสัญญาหลวงพ่อเคยใช้คําว่าสัญญาวิปลาสที่สัญญามันเก็บเก็บข้อมูลผิดผิดใช่ไหมหลวงพ่อไม่ผิดเราเพียงแต่ว่ามัน มันไปแปลสัญญ์มันไม่เข้าใจมันไปแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่แปลว่าเป็นตัวเราของเราบางทีมีอนี่มีวิปปะเกฏขึ้นมาก็ไปแปลว่าเทวดาลงมาหาเราแล้วเท้ามหาพรหมมาคุยกับเราแะอันนี้แหละมันเป็นวิปรายออกเป็นวิปรายมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่สัญญาที่สมมติเก็บว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแล้วก็เป็นสุขเนี่ยสัญญาพวกนี้ถ้าเกิดใช้โมหะโมหะออกเป็นโมหะมันไม่ตรงกับความจริง มันแค่เรียกว่าวิปลาสก็ได้แต่เราไม่ใช่วิปลาสเราเรียกว่าเป็นความหลงเป็นความหลงไม่เห็นตามหลัความเป็นจริงความเข้ใจผิดความเข้าใจผิดต้องถูกเปลี่ยนมาหลวงพ่ต้องเปลี่ยนให้เป็นตายรักต้องเห็นทุกอย่างเป็นตายรักอืมครับได้ครับความหลงมักจะมองเห็นเป็นนิจจังสุขังอัตตาครับมองมองตรงกันข้ามมองสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา มันก็เลยวุ่นวายคือเราก็ต้องพยายามสร้างความทรงจําใหม่ที่มันถูกต้องใหม่โปรแกรมใหม่โปรแกรมใหม่โปรแกรมใหม่ให้ให้มองถึงต่างๆเต็มเต็มตามตามความเป็นจริงเห็นอะไรก็ต้องบอกไม่เที่ยงเห็นอะไรก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ช้าก็เร็วแสมงว่การละสัญญาต่างสมมติละสกฤติถินนั่นคือมันรีโปรแกรมอรีโปรแกรมขัน5ตรงนั้นแล้วใช่ไหมเปลี่ยนข้อมูลใหม่เปลี่ยนสัญญาใหม่เปลี่ยนสัญญาณสำเร็จสําเร็จครับ ครับครับเป็นวิทยาศาสตร์ของเราคำถามฝากถามจากหน้ากุติสองท่านคําถามต่อเนื่องกันค่ะพระอาจารย์เมื่อนั่งสมาธิสงบอยู่กับลมหายใจได้แล้วคําภาวนาหายไปเห็นเพียงลมหายใจข้อออกรู้สึกถึงความสุขสงบจะทําอย่างไรให้เข้าสู่วิปัสสนาคะส่วนอีกท่านหนึ่งถามว่าวิปัสสนาทําอย่างไรครับ เ, เวลาทําสมาธิเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องวิปัสสนาเป็นคนละวิชากันเป็นคนละภาคกันเช่นเราเรียนวิทยาเราเรียนคณิตศาสตร์เราไม่ไปยุ่งกับภูมิศาสตร์ ช, ช่วงเรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียนประวัติศาสตร์ก็เรียนแต่วิชานั้นอย่างเดียวอพอหมดหมดเวลาวิชานี้แล้วเข้าห้องอีกวิชาหนึ่งก็ค่อยไปเรียนในวิชานึ่งเนเวลาเข้าสมาธินี้ต้องการทําใจให้สงบนิ่งอย่างเดียว ไม่คิดปรุงแต่งให้นิ่งให้นานนานเป็นวันเป็นเป็นเดือนเป็นปีก่อนก็ได้เพื่ให้มันชํานาญสามารถควบคุมใจให้นิ่งทุกเวลาที่ต้องการพอเราควบคุมใจให้นิ่งเราผ่านขั้นสมาธิแล้วทีนี้เวลาเราที่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เข้าสมาธิเวลาที่เราคิดปรุงแต่งนี่เนี่ยให้เอามาคิดทางทางปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเช่นคิดว่าร่างกายเราไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เราวิปัสสนา ร่างกายเราไม่สวยงามมีอาการ32มสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับตไตไส้พุงอะไรต่างๆนี่นี่แหละวิปัสสนาเห็นความจริงที่กิเลสไม่ยอมให้เรามองกันไม่ยอมให้เราเห็นกันถ้าเห็นความจริงแล้วความโลภความอยากในสิ่ ง, งต่างๆก็จะหมดไปอันนี้วิปัสสนาแต่จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมีกําลังที่จะละได้ต้องมีสมาธิก่อน อย่งนั้นช่วงที่ทําสมาธิยังไม่ต้องไปห่วงเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องวิปัสสนาทําสมาธิให้ชํนานาญก่อนอย่างนั้นก่อนที่เราจะวิ่งได้หัดเดินก็ยืดหัดยืนก็เดินให้ได้ก่อนไม่ใช่ยืนได้สองเก้าสองเก้าล้มละยังวิ่งไม่ได้ฝึกยืนฝึกเดินให้มันแข็งแรงก่อนเมื่อแข็งแรงแล้วค่อยไปหัดวิ่งต่ อ, อที เป็นคนละขั้นตอนกนัอย่าไปทําพร้อมกันส่วนใาย่จะเข้าใจผิดที่ว่านั่งสมาธิพอจิตเน่งปั๊บอ่าววิปัสนาแล้วมีปัสจนึกถึงไม่ใช่วิปัสนาแล้ ว, ว, ก, ว, ลวก็หยุดมันไม่ได้นึกนึกแล้วมันพอเจอเจอเจอของจริงก็ทําใจไม่ได้พอเจอผมงอกหน่อยก็ทุกข์แล้วเวลาหนังเหี่ยวหน่อยก็ทุกข์แล้วสิวขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งก็ทุกข์แล้วอนนนะไร แต่ถ้าเป็นวิปัสสน์ถ้ามีสมาธิก็เฉยได้เพราะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงผมมันก็ต้องหงอกสิวมันก็ต้องขึ้นมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้อันนั้นอ่ะการใช้ปัญญาเพื่อสอนใจให้เฉยให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างที่มันเกิดปรากฏขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะอยากแล้วมันจะทุกข์ทั้งนั้นอันนั้นถึงถึงขั้นวิปัสสนาแต่ถ้ายัง ทำใจเฉยไม่ได้มันก็ไม่ไปเกิดประโยชน์หรือว่ามันไม่เที่ยงแต่ก็ยังอยากให้มันเที่ยงอยู่หรือว่ามันงอกก็ยังอยากจะให้มันไม่งอกอยู่มันก็ต้องแก่ไยซื้อยามาย้อมผมกันซื้อยามาทาสิวกันอะไรกันนะเพราะมันไม่ยอมรับความจริงมันไม่มีวิปัสสนามันไม่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงนั้นเป็นคนละเรื่องกันปัญญาเป็นการเรียนรู้ความจริง สมาธิเป็นการทําใจให้นิ่งห ย, หยุดกิเลสให้ได้ก่อนหยุดกิเลสด้วยสมาธิแล้วก็มาใช้ปัญญาฆ่ากิเลสด้วยปัญญาจริงขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอัฐิเราควรจัดการอย่างไรด้วยอัฐิที่เราเก็บได้หลังจากการเผาศพคะควรเก็บไว้หรือนําไปลอยอังคารตามประเพณีคะถ้าลอยอังคารดูหมูลอยอังดูไก่เนี่ยจะทำไงนะมันก็กระดูกเหมือนกันเนะ่ยเราจะทำไงก็ได้ ทานะคำถามจากคุณวาสนากับผมเวลาได้ฟังเทศของพระอาจารย์เหมือนว่าจะเรียนจบบัทเดียวนั้นเลยข้างเหมือนว่าจะมีความสุขนั้นมาครองแบบไม่ยากเลยแต่พอออกจากการได้ฟังเทศเหมือนว่าสุขนั้นห่างออกไปขออุบายทำให้กระผมมีปัญญาได้สุขสงบนั้นมาครองจริงด้วยครับ ก็ต้องหมันเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันก็จะเอาเรื่องเาามาสร้างความวุ่นวายให้กับใจถ้าหยุดความคิดได้มันก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาในใจคำถามจากคุณซีจิตผู้รู้คืออะไรคะต้องปฏิบัตินานแค่ไหนถึงจะเกิดจิตผู้รู้คะมันไม่ต้องปฏิบตัติมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เรามองไม่เห็นมันเพราะมันถูกความคิดกบไว นันต้องมาปฏิบัติหยุดความคิดให้ได้พอหยุดความคิดก็จะเห็นผู้รู้ปรากฏอยู่ด้านหลังผู้ที่มาบังผู้รู้ก็คือความคิดนี่คิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็เลยไปไ ป, ไปรู้แต่เรื่องราวต่างๆที่คิดมันก็เลยไม่เห็นตัวรู้ที่รู้เรื่องราวต่างๆในทีนี้นต้องหยุดความคิดความคิดแล้วก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ภข้างหลังเหมือนถ้าอยากจะเห็นจอทีวี<ม>ก็ต้องหยุดต้องปิด ต้องปิดภาพก่กอนเพราะปิดภาพก็จะเห็นจออย่างเดียวพอเปิดภาพก็มองไม่เห็นจอลนะเห็นแต่ภาพที่อยู่ บ, น, บนจอเลยไม่รู้ว่าจ อ, จอจริงๆหน้าตามันเป็นยังไงต้องปิดทีวีปิดภาพพอปิดภาพแล้วกออจอมันเป็นสีนี้นะสีเทาสีอะไรก็ว่าไป คำถามจากคุณพุทธานุสติเรียนถามท่านพระอาจารย์วิธีการดูจิตมีวิธีการดูอย่างไรให้ถูกต้องในทางปฏิบัติครับก่อนจะดูจิตต้องมีเครื่องมือหยุดจิตให้ได้ก่อนเพราะการดูจิตเพื่อจะหยุดจิตที่มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยังให้ฝึกให้มาสร้างเครื่องมือคือสติสมาธิให้ได้ก่อน มันมีสติมีสมาธิแล้วก็ค่อยไปดูจิตอีกทีเวลาจิตสร้างความทุกข์ก็อยุดมันเวลาจิตโลภ ก, ก็หยุดมันเวลาจิตเกิดก็หยุดมันแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้ คำถามจากคุณจ้าจะมีวิธีการแก้ไขคนที่มองผู้อื่นติดลบตลอดเวลาได้อย่างไรคะอมองมองให้มันติดบวกสิมองความดีเขาบ้างไม่มองแต่เรื่องชั่วชั่วทำไมคนเราทุกคนมันมีทั้งมีดีมีชั่วปนกันอยู่เราไม่ได้ชั่วอย่างเดียวหรือดีอย่างเดียวแล้วแต่เราจะมองอันมองคนในด้านดีมาก คำถามจากคุณจรัญญาเราควรรักษาใจเราอย่างไรคะวงเล็บทุกเวลานาทีด้วยสติงคอยมีสติคอยหยุดความคิดด้วยการเจริญพุทธโธพุทธโธอยู่เนืองๆหรือด้วยการเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณคร<ๆ>ูบอยการบริการพร้อมกับดูลมหายใจ เมื่อเทียบกับบริกรรมอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวแบบไหนจะทำให้สงบดีกว่ากันครับอันนี้ก็ต้องลองทำเอาเองดูแต่ละคนมันมีเจริญไม่เหมือนกันคำถามจากคุณศีวาการการพูดตลกโปกฮาเพื่อให้เพื่อนสนุกควรควรทำไหมครับผิดศีลไหมครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาเอาเวลามาพูดดังที่มีมีประโยชน่ดีกว่า คำถามจะคุณโอปป์มีสี่คำถามสองคำถามเป็นการบรรยายการปฏิบัติส่วนอีสองข้อเป็นคำถามนะคะพระอาจารย์อ๋อคำถามหนึ่งไม่ต้องมาบรรยายอ่ีิเกียัษค่ะคำถามข้อแรกอยากบรรลุพระโสดาบันนอกจากมองจิตทุกขณะจิตด้วยพุทโธไม่ให้มีมโนกรรมความได้อยากมีเกิดขึ้นแล้วต้องปฏิบัติด้วยสิ่งใดเพิ่มหรือไม่คะอ๋อต้องทำจิตให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนให้จิตเข้าฌานให้เป็นโอเบกขาให้ได้ก่อน แล้วก็มาพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายห้ามมันไม่ได้คําถามข้อสุดท้ายถ้าเราบรรลุพระสวสดาบัลได้เราจะทราบด้วยตัวเองหรือเปล่าเจ้าคะถ้าเพราะว่าพระโสดาบัลก็ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเดิเฉยๆเวลาเป็นมะเร็งก็เฉยๆเวลารักษาอะไรไม่ได้ก็เฉยๆเวลาจะตายก็เฉยๆไป ไม่กลัวไม่กลัวความเจ็บความตายคำถามจากคุณอีสหลวงพ่อองค์ธรรมพระโสดาบันปฏิบัติแบบไหนให้ได้โสดาบันครับตอนี่เพิ่งต่อไปก็ปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปกลัวมันมันต้องเกิด คำถามจากคุณประธานเมื่อปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดชีวิตจนถึงลมหายใจสุดท้ายจิตหลุดพ้นและทิ้งร่างกายนี้ได้ปล่อยวางทุกอย่างได้บรรลุธรรมด้วยวิปัสสนาไม่ต้องการเกิดไม่ต้องการร่างกายอีกนึกถึงแต่พุโทโธจะเข้าสู่นิพพานได้ไหมครับไม่ได้หรอกพุโทโธอย่างเดียวเป็นสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาด้วยถึงจะเข้านิพพานได้